แก่ลงไปอีกปีแล้วเนาะอายุก็ลดลงไปปีหนึ่งแล้วตายไปปีหนึ่งต้นทุนที่เราใช้ไปนะคือชีวิตหนึ่งปีเราอายุเราสั้นลงปีหนึ่งละในต้นทุนนี้เราได้อะไรมาบ้าง ได้ธรรมะมาก็คุมนะถ้ายังไม่ได้ธรรมะก็ภาวนาเป็นแกวคุมแล้วขยันภาวนาภาวนาไม่เป็นนะมีศีนอยู่ก็ยังคุมอยู่ถ้าศีนไม่มีก็ลําบากละขาดทุนลนะทําทานอย่างเดียวก็ไม่มีศีนนะแอบไปอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ดนเลฉานที่ร่ํารวยนะ มีศีลนะจึงจะได้เป็นคนต้นทุนเดิมของเราเราต้องมีศีลมาแล้วละเราต้องเกิดมาเป็นคนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมีคุณงามความดีพอสมควรแต่ละคนแต่ละคนมีอยู่มีกินมีการศึกษามีร่างกายสมบูรณ์นี่เป็นต้นทุนเดิมแต่ก่อนเรามีธาตุมีขัน ที่ดี้เรามีโอกาสได้ฟังธรรมคนไม่มีต้นทุนไม่มีโอกาสรคนในโลกมีตั้งเท่าไหร่อย่าว่าแต่คนในโลกเลยคนไทยแท้ๆจะได้ฟังธรรมถึงขั้นปรมัติตจริงๆมีไม่มากหรอกพวกเราได้ยินได้ฟังถึงขั้นวิธีแยกธาตุแยกขันธ์วิธีที่จะเห็นธาตุขันธ์แสดงใจลักษณ์ นี่เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วไม่มีบุญไม่ได้ยินหรอกนี่เรามีทุนเดิมดีอยู่แล้วนะเราเราก็ยังมีทุนปัจจุบันอยู่ยังมีเรื่องมีแรงอยู่เราตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าให้เสียเวลาเปล่าๆเรารู้ว่าหน้าที่หลักในชีวิตของเราคือการยกระดับจิตใจของเรา ให้ใกลมักผลนิพพานเข้าไปเรื่อยๆในโลกไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งของเราได้หรอกนะอย่างตอนเด็กๆเราพึ่งพ่อพึ่งแม่พ่อแม่ก็ไม่ได้ให้เราพึ่งตลอดนิรันดรสุดท้ายต้องมาพึ่งเราเสียอีกบางทีใช่ไพึ่งลูกเราหาที่พึ่งพอเราอายุเยอะอยากพึ่งลูกมันไม่ให้เราพึ่งหรอกมันก็ไปให้ลูกของมันพึ่ง เราก็ไม่มีที่พึ่งหรอกนะหวังว่าจะมีชื่อเสียงมีเงินมีทองเป็นที่พึ่งนะหลวงพ่อเคยเจอคนแก่เก็บเงินเก็บทองไว้เยอะเลยเป็นตะกร้าเลยนะทองแก่เข้าจริงๆแนละ้วไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะคนข้างบ้านมาหยิบไปหมดเลยไม่รู้หรอกไม่เสียดายด้วยนะเพราะไม่รู้เนะอาทรัพย์สินเงินทองเป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้อีกนะ กระทั่งร่างกายของเราเนี่ยเอาเป็นพี่พึ่งก็ไม่ได้พอแก่เท่านะมันต้องพึ่งคนอื่นซะอีกพึ่งตัวเองก็ไม่ได้จะไปไหนไม่มีใครเข้าจูงให้เขาอุ้มให้ก็ค่อยๆถัดไปถัดไม่ไหวก็นอนจมอือจมฉี่อยู่นั่นแหละนี่เราหาที่พึ่งไม่ได้นะงั้นเรารีบขนไกว อาต้นทุนที่เรามีทั้งต้นทุนในอดีตชาติแล้วต้นทุนปัจจุบันมีเวลาก็ตั้งอกตั้งใจภาวนายกระดับใจของเราขึ้นไปวันหนึ่งเราจะพ้นจากกองทุกันนี้ไปกองทุกก็ตัวร้ายเลยก็คือกายกับใจเรานี่เองไม่เห็นอะไรจะเป็นกองทุกเท่ากายเท่าใจนี้เลยธาตุขันนี่มีแต่ทุกทั้งนั้นเอง มาเรียนรู้มันก็ไปนะพระพุทธเจ้าสอนวิธีที่จะออกจากทุกข์ไว้แล้วออกจากทุกข์ก็คือออกจากธาตุขันธ์พ้นทุกข์พ้นจากธาตุขันธ์ดับทุกข์ก็คือความดับสนิทของธาตุขันธ์ของที่ดีที่สุดนะที่เรารักที่สุดห่วงแห็นที่สุดก็คือกายนี้ใจนี้ธาตุขันธ์เราเนี้ยนี่จริงเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดเลย เราเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กๆนะเห็นไหมเลี้ยงมันมาถึงวันหนึ่งมันทรยศหักหลังเราส่วนใหญ่มันจะมาหักหลังเราตอนเราแก่แล้วเราเจ็บอะไรเงี้ยหักหลังเราบางคนเจ็บก็ตายไปถูกมันหักหลังแล้วนี่ธรรมะสิ้นปีนะสิ้นปีเร้เอาให้สิ้นทุกข์เย สิ้นปีแล้วปีหน้าทุกอีกโง่หลายเลยมีชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะหาสาระไม่ได้เย็นนะรูปนะธรรมชาติของรูปนะอะไรที่เรียกว่ารูปธรรมชาติที่แตกสลายได้ด้วยความเย็นความร้อนเป็นต้นเย็นจัดจัดก็แตกสลายรูปหนึง่งร้อนจัดจัดก็แตกสลาย รูปนี้เบา บ, บางเบา บ, บางนะท่านเทียบเหมือนภาชนะดินเดี๋ยวนี้เล่นหม้อสแตนเลสใช่ไหมไม่ค่อยแตกคุณพุทธเจ้าท่านเทียบไหมรา่างกายเราเนี่ยเหมือนหม้อดินหม้อดินแตกง่ายแป๊บเดียวแตกล้วไม่ทันระวังก็แตกนล้วชีวิตเราเนี่ยเปล่าบางที่สุดเลยคนเราตายง่ายมากนะ ร่างกายเราเหมือนภาชนะดินแตกหักง่ายแตกสลายง่ายกระทบกระทั่งอะไรแรงๆก็แตกแล้วร้อนไปเย็นไปก็แตกะนะ้ชีวิตเราเป็นของเปล่าบางคนทั่วๆไปก็คิดว่าชีวิตนี้คงทนถาวรพวกเรารู้จักคนที่อายุน้อยกว่าเราเราตายไหมเคยไหมมีไหมอายุน้อยที่สุดที่ตายที่พวกเรารู้จักอายุสักเท่าไหร่ได้เคยเจอ ปีหนึ่งตายไหมสองปีสามปีมีมั้มหรือสิบปียี่สิบปีคนตายง่ายนะหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้เคยไปภาวนาอยู่วัดป่าสาขาหลวงพุทธแม่ครัวเนี่ยใจดีเชอหน้าชอบเรียกให้กินข้าวชวนกินข้าวเลย วันหนึ่งแกข่าวว่าตายไปแล้วถามพระว่าทำไมตายแกกินข้าวเช้าแล้วแกสำลักนะข้าวเข้าหลอดลมหายใจไม่ได้ตายเลยในเวลาห้านาทีเท่า น, นั้นเองแค่สำลักข้าวนะหายใจไม่ได้ห้านาทีก็ตายแล้วในวันนี้พูดเรื่องตายไว้ก่อนมันสิ้นปีแล้วเวลาตายแล้วนะ ตัวก็นิ่มๆอยู่อย่างเนี้ยเราสักหกชั่วโมงนะตัวค่อยแข็งนล้วค่อยๆแข็งแข็งอย่างเราไปลดน้ำศพนะี่ตัวแข็งแข็งแล่วาตายเช้าๆบ่ายๆตัวแข็งจะเอามือให้มาแบ่แบ็ต้องหักมือแล้วโดนหักมาแบ่ให้เขาเอาน้ำลดคนเขารลังเกียรไหมเวลาไปลดน้ำศพ ถามจริงๆรู้สึกังเกียจมากไหมขยักขยงไหมรู้สดชื่นน่ารักทั้งตัวแข็งดีด <c oughs> ีมืออย่างนี้นะถ้าศบตายธรรมดาก็ยังไม่เท่าไหร่ศพอุบัติเหตุเลย น, น่ากลัวนนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังเป็นอย่างพวกเราแป๊บเดียวนะคนแค่ชักสยองแล้ว เลยผ่านไปเกลี่ยนน้ำอบไปด้วยใครได้กลิ่นน้ำอบแล้วกลัวบ้างมีไหมยกนี้คนโบราณเอาน้ำอบทาตัวนะนี่พ่ อ, อไปรดน้ำศพ บ, บ่อยๆนะกลายเป็นของใช้สาหรับศพแค่ได้กลิ่นก็กลัวละอยู่บ้านอยู่ๆได้กลิ่นน้ำอบรู้สึกสดชื่นไหมนะล่ะก็อะไรกลัวกลัวความตายกลัวผี แป๊บเดียวเขาก็ลังเกียดแล้วนะถึงย4ิบสี่ชั่วโมงเน่าเริ่มผ่องคนตายแล้วศพไม่ได้อยู่นิ่งๆนะข้างในเนี่ยมีเสียงเ็าแก็กงเขแก๊แก้ ก, กนะเริ่มเน่าเริ่มผ่องวันหนึ่งตัวค่อยแข็งใหญ่ขึ้นนะตัวตัวตัวสามวันตัวก็แตกตัวแตก เสียงสโคลกที่ซ่อนอยู่ข้างในไ ห, นหลออกมาใครๆก็ไม่อยากเข้าใกล้เขม็นก็เน่าไปางั้นสุดท้ายเป็นกระดูกเป็นกระโหลกอะไรงนี้นะเป็นเนื้อหนังแห้งๆเคเห็นผีตายซากไหมแห้งๆเนี่ยแต่ละคนทำหน้าเย้เกล่ะเไม เห็นไหมว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาไม่เห็นหรอกสยองนะสยองของที่เหม็นๆในโลกนะที um. loe, kel, templ, ่หลวงพ่อเคยรู้เคยเห็นมาไม่มีอะไรเหม็นเท่าศพของคนเลยเหม็นจริงๆเลยกลิ่นศพเน่าๆเนี่ยนะศพสัตว์ยังไม่เท่าไรนะศพคนเนี่ยสุดยอดเลยมันจะขมเขราไปในคอเลยยังเราหายใจได้กลิ่นมันนะ ขมเข้าไปถึงคอเลยพยายามจะไม่หายใจเคยไปที่นิติเวชอ่ะไปดูศพคนอพยายามจะไม่หายใจแต่มันก็ไม่ไหวนะมันจะกลั้นใจอยู่สักครึ่งชั่วโมงมันก็เกินไป <c oughs> หายใจทีละหน่อยๆโอ้โหมันขมไปทั้งคอเลยนะแล้วเดินออกจากนิติเวชมาแล้วมันขึ้นรถนะขึ้นรถรถแอร์เนี่ยชัดเจนเลย กลิ่นศพเนี่ยนะติดอยู่ในเนื้อเรานะกลิ่นสัตว์อื่นมันไม่เข้าเนื้อเราเ ก, กลิ่นศพคนเนี่ยเข้าเนื้อเลยเหม็นติดเนื้อเลยคอก็ขมหน้าขยะแขยังที่สุดดูสิจอยไปหมดเลยเ <c oughs> นี่ยคนข้างๆเราที่สวยๆงามๆนะตายปุ๊บเนี่ย ไม่เกินหกชั่วโมงเราก็ไม่อยากยุ่งด้วยลนะแข็งแนละ้วแข็งแล้วก็พองแล้วก็เละเละเหม็นที่สุดนะสั ป, ปเหร่อเขาสอนนะบอกว่าสวดเข่าไปให้เต็มที่เลยสามทีแล้วหายเราก็เชื่อ <laughs> กลับมาจะถึงบ้านนะหายใจออกมายังมีกลิ่นอยู่เลย <laughs> โดนหลอก ร่างกายนะของเม่น่ารักน่าหวงแหนนังหรอกเราก็แย่งร่างกายกันจะจีบสาวสักคนแล้วแย่งกันแย่งเอาศพเข้าบ้านเนี้อบานนึงมันก็เป็นศพจริงๆนะแย่งเอาศพเข้าบ้านเอาไหมในสมัยพุทธกาลนะมีโสเพณี โสเพณีเนี่ยเป็นตำแหน่งสูงเกียรตินะถือเป็นเหมือนอัญมณีประจำรัฐเลยประจำเมืองพระเจ้าแผ่นดินตั้งใครได้เป็นโสเพณีเนี่ยโก้ามากเลยตอนนี้ไม่กลัวนะเพราะว่าไม่มีใครตั้งนะไปเป็นเองมีโสเพณีคนหนึ่งสวยมากเลยนี่พระบวชใหม่องนึงไปเห็นเขาหลงรักมากเลยนี่ก็อยู่มาไม่กี่วันเลย เกิดอะไรตายขึ้นมาครับก ป, ป, ปรับตายพระเจ้าแผ่นดินน้่มาบอกพระพุทธเจ้ามาทูลพระทเจ้าจะเผาศพเห็นไหมขนาดพระเจ้าแผ่นดินต้องเผาศพนะรรมดาอ า, าที่ไหนอ่ะพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งเผาเอาไว้ก่อนเอาศพตั้งไว้งั้นแหละแล้วตอนเย็นเดี๋ยวท่านจะไปงานศพด้วยปกติเขามีค่าตัวนะแสนกะหาปณะนะ กะหาปณะนนทองคําเนี่ยไม่กี่กะหาปณะนนก็ซื้อทองได้นะแพงค่าตัวแพงมากเลยคืนละแสนกะหาปณะะนนแพงมากพวกเราค่าตัวเราใครมาจ้างเราทํางานวันหนึ <c oughs> ่งสามร้อยบาทนี่เขาแสนกะหาปณะ น, นนะตอนเย็นพระเจ้าก็าาไปคนทั้งเมืองก็ไปร่วมงานศพพระเจ้าก็าให้ประกาศเลย ศพเนี้ยตอนเป็นๆอยู่นะคืนละแสนกหาพนะตอนเนี้ยมาประมูลอา้าวใครให้แสนกหาพนะยกให้ไปเลยเอาไปอยู่ตลอดชีวิตเลยใครจะเอาบ้างไม่มีคนเอานะเชิญถึงกหาปณะห น, หนึ่งก็ไม่มีคนเอานะให้ฟรีก็ไม่มีคนเอาท่านก็สอนธรรมะให้นะว่าในชีวิตเป็นอย่างนี้แหละพระองค์ที่ไปหลงรักนะหายหายจากความรักนะ มีพระองค์หนึ่งไปอยู่ในป่าช้าอยากไปดูศพคนอินเดียเนี่ยเวลาเผาศพนะเผาสดๆอย่างเนี้ยไม่ใส่ลงอะไรหล้วเผาไปเลยหอ่หอๆมานึ่งแลจุดไฟเผาฟืนมาสุมนะแล้วก็เผาเลยพระนี่ไปอยู่ในป่าช้าสัปเหร่อก็เรียกมาวันนี้มีศพสาวสวยมาท่านก็ไปดูอู้สวยจังเลยเพราะว่าตายปุ๊บเขาก็มาเผาเลยนะเหมือนคนนอนหลับ เขาเริ่มเผาท่านก็ดูไปด้วยนะดูดูดูไปสุดท้ายท่านก็อุทานออกมาบอกว่าอนิจาวตาสังขาราอุปาทาวายธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังมูปสโ ม, มสุ k โคเวลาที่พระชักบางสกุลงานศพใช้บท น, นี้องค์นี้เป็นคนอุทา น, น้นมานะท่านบราารลุพระอรหันต์สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแ้วก็แตกสลายไปนะ นี่ท่านเห็นความจริงของาธาตุของขันธะ์ท่านก็บรรลุพระอ ร, ระหันต์ได้ในตำลาไม่เห็นบอกว่าท่านไปดูจิตเลยไหมท่านดูศพอยู่ดูกายนะท่านดูกายพิจารณกายนะใจมันแจ้งในความจริงนะหมดความยึดถือในสิ่งทั้งปวงใครเป็นคนไปดูกายก็จิตเป็นคนไปดูกายนะเวลาแจ้งก็แจ้งทั้งกายแจ้งทั้งจิตแจ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดถืออะไรเลย งั้นอย่างตำรารุ่นหลังๆเราชอบพูดกันนะว่าขั้นต้นต้องดูกายถึงพระนาคาขั้นสุดท้ายเป็นพระอรหันต้องไปดูจิตเอาถึงจะได้พระอรหันต์อันนี้ไม่จริงเป็นแค่ประสบการณ์ของบางท่านเท่านั้นในคำภีไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระวงนี้ดูกายบรรลุพระอรหรันต์พระนนท์ก็ดูกายบรรลุพระอรหันต์ บางคนก็เริ่มต้นด้วยการดูจิตเอาเลยนะอย่างพระนุรุษพระนุรุษมาบวชไม่กี่วันนาะก็ได้ทิพจักสุมีฤทธ์นะเที่ยวดูสัตว์ทั้งหลายคนนี้ตายแล้วไปเกิดที่นี่ที่นี่อะไรนีเห็นไปหมดนะท่านมีทิพจักสุแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่ได้พ้นทุกข์สถิีไปถามพระสารีบุตร แ, แต่พระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีที่พระจักษุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกาธาตุโลกาธาตุก็คือแต่เราแต่ละคนนี่คือโลกโลกหนึ่งผมเห็นโลกาธาตุตั้งพันโลกนในเวลาครู่เดียวแวบบเดียวเนี่ยเห็นได้หมดทําไมผมไม่เป็นรรพระอรหันตสักทีสารีบุตรก็สอนให้ดูจิต ตรงที่ท่านบอกว่าท่านมีที่ไปจากสุเลิศกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนี่เป็นมานะนะถือว่ากูเก่งกูเหนือคนอื่นเห็นนะกิเลสก็ไม่เห็นกิเลสนะสู้กิเลสไม่ได้หรอกตรงที่ท่านบอกท่านเห็นโลกาธาตุตั้งพันโลกเกิดดับในเวลาครู่เดียวนะท่านฟุง้งซ่านไปดูของข้างนอกไม่ได้ดูตัวเองไม่ยอนมาดูตัวเองไปดูของคนอื่นไปเห็นคนอื่นเกิดดับนะไม่ดูตัวเองเกิดดับ ตรงที่ท่านบอกว่าเมื่อไรผมจะบราารลุพระอรหันตสัทีเรียกว่ากุ ก, กุจจะลำคาญใจงดหงิดพวกเราเป็นไหมเวลาภาวนาเมื่อไร่จะได้โสดาสัทีวะนะนี่แหละชื่อกุ ก, กุจจะนะกุ ก, กุจจะว่าลำคาญใจนะสารีบุตรท่บอกให้ท่านดูละทำสามประการนี้นะนอมจิตไปสั่วมาตะทาติก็จะพ้นไปอย่างรวดเร็วได้ มิธีละมานะอุทัจนะ ก, กุกุจระรู้ทันนั่นเองถ้าท่านรู้ท่านดูจิตเอานะดูจิตเอาตอนนั้นได้ขั้นต้นๆได้โสดาอะไรเงี้ยมาดูจิตต่อไม่ใช่ว่าต้องเป็นอนาคตแล้วมาดูจิตออกเงื่อนปีใหม่นะจะขึ้นปีใหม่แล้วปีเก่าเราทบทวนดู คนไหนยังเจริญสติปัญฐานน้อยก็ทำให้มากหน่อยปีหน้าตั้งใจไว้ไม่งั้นเดี๋ยวจะตายไปอีกปีหนึ่งชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนหรอกชีวิตไม่แน่นอนนั่งรถมาเคยเห็นไมมรถทับกันตายเยอะแยะไปชีวิตไม่แน่นอนอฟังละรังสบายใจ ได้ยินเสียงไหมเสียงทีแรกกระทบหูใช่ไหมแล้วมันมาสั่นริ้ว ๆ, ๆ, ๆ, ๆอยู่ที่ใจที่กลางอกเนะี่ยใครฟังเสียงละครังแล้วสบายใจยกมือซิมีไหมใครฟังแล้วน้ำลายไหลยกซิ <c oughs> อ้าวไปกินข้าวไปเนอะได้ยินละครังแล้วต้องน้ำลายไหล <c oughs>